คนไทยได้เปรียบเขานะภาษาเราก็ฟังได้เกิดมาเราก็อยู่ในแวดวงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วคนไทยนิสัยโลเลโลเลเหลวไหลเยอ <c oughs> ะตัดมันประกันพรุ่งอนะย่ <c oughs> ทีทีรู้ว่าดีเอาไว้ก่อนขอไปทำเร็วก่อนน้าเสียด้ คนตั้งเจ็ดสบล้านบอกเป็นชาวพุทธ90กว่าเปอร์เซ็นต์จริงไม่ได้รู้จักศาสนาพุทธเลยเป็นชาวพุทธเป็นไม่ได้ด้วยการเกิดไม่ใช่เกิดมาพ่อแม่เป็นพุทธตัวเองก็เป็นพุทธชาวพุทธเป็นไม่ได้ด้วยการประกาศปฏิญาณสาบานตัวแสดงตัวเป็นพุทธมามะกะยังไม่ได้เป็นชาวพุทธถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทเจ้าสอน แล้วไม่ไดเอามาทำไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเราต้องเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกันอะไรที่ท่านห้ามอะไรที่ท่านให้ทำให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรต้องรู้ที่จริงท่านสอนละเอียดนะว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ มีเหตุมีผลตลอดไม่ใช่คําสอนที่ให้เชื่อเอาอย่างความเชื่อของศาสนาอื่นเขาก็ดีอย่างของเขานะแต่ว่ามันต่างของเราของเขาเริ่มต้นต้องศรัทธาก่อนอันแรกเลยต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีถ้าพระเจ้าไม่มีนะัระบบความคิดที่เหลือเนี่ยเดินต่อไม่ได้ละของเราไม่ต้องเริ่มด้วยเชื่ออะไรเลยนะเราเชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละ เราเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงสามารถยกระดับใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่การร้องขอให้ใครช่วยเลยนี่มนุษย์ที่จะเข้มแข็งถึงขนาดปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ได้มันมีไม่มากนักหรอกเป็นชาวพุทธที่แท้จริงยังไงก็เป็นคนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรเขาก็หลงอยู่กับโลกไปใช้ชีวิตตามๆกันไปตอนเด็กๆก็เรียนหนังสือคนอึ่งเขาเรีย น, น, ย เ, ข เ, ยนเขาเรียนกับเขาเขามีงานทํเขาไปทํากับเขาเขาแต่งงานก็แต่งกับเขาเขามีลูกก็มีกับเขาสุดท้ายก็แก่ไปตายไปกับความว่างเปล่าไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่พระพุทธเจ้าสอนเรานะให้รู้ ว่าเราควรจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรจะทาอะไรเราทำสมถะวิปัสสนานะเพื่ออะไรเพื่อยกระดับใจเราให้พ้นจากความทุกข์ทำอย่างไรก็เป็นวิธีการสมรถะทำอย่างไรวิปัสสนาทำอย่างไร สมถาก็มีหน้าที่ของมันมีประโยชน์ของมันวิปัสสน า, าก็มีหน้าที่มีประโยชน์ของมันสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญพระเจ้าบอกสมถาวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งฉะั้นต้องมีคําด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยไม่ใช่เจริญแบบปัญญาอ่อนเจริญแล้วได้อะไรก็ได้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์นะ อ o b j e c t i v e ของเราคือพ้นทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่พ้นทุกข์เมื่อตายแล้วไม่ได้พ้นทุกข์หลังจากตายแต่พ้นเดี๋ยวนี้เลยถ้าสามารถยกระดับใจขึ้นไปได้นะใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงแต่ร่างกายนั้นยังมีความทุกข์อยู่ตามธรรมชาติ เป็นพระละหันก็หิวข้าวง่วงนอนรู้จักร้อนรู้จักหนาวอย่าไปวาดภาพพระละหันเหมือนวุนยนโรบอตอย่าไปวาดภาพอย่างน้ผิดมนุษย์มนาคนธรรมดานี่แหละแต่ใจนี่นไม่ธรรมดาใจไม่ทุกข์ท่านผ่านไปสู่ความไม่ทุกข์ไดนะ้ก็ด้วยสมถะเลยวิปัสสนานแหละ เป็นเครื่องมือยกระดับใจสมถากรรมฐานทำไปเพื่ออะไรสมถากรรมฐานทำไปเพื่อให้จิตใจนี่ได้พักผ่อนจิตใจสงบจิตใจจะมีแรงมีพลังจิตใจกับร่างกายแตกต่างกันร่างกายเคลื่อนไหวมากๆนะมีพลังจิตใจที่หยุดนิ่งมีพลัง นี่พอมีพลังแล้วก็ต้องรู้จักใช้พลังให้เป็นประโยชน์คือเอาไปใช้ทา ม, มิปัสสนาไม่ใช่มีพลังแล้วก็อยู่เฉยๆเอาไปเล่นอย่างอื่นไปดูอันโน้นไปดูอันนี้หรือไปรักษาโรคไปอะไรไมันทำได้ทำได้แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายที่พุทธเจ้าต้องการเพราะเราต้องการอะไรต้องการความพ้นทุกข์สิ้นเฉิง อย่างเราไปรู้ไปเห็นของภายนอกเรารู้ทันจิตของคนอื่นเขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยเรารู้หมดเลยไม่ต้องมองหน้าเลยเขาอยู่ประเทศไหนเรานึกจะรู้ก็รู้เลยเองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพื่อความพ้นทุกข์งั้นเราไม่ได้มุ่งทําสมาธิเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่มุ่งทําสมาธินะเพื่อให้ใจสงบมีเรื่อวมีแรง ใ, ใจสงบได้พักผ่อนพอแล้วนนั้เอาใจที่สงบแล้วเนี่ย ไปเดินปัญญาไปเจริญปัญญาทมวิปัสสนากรรมาฐานถ้าเราไม่มีความสงบอ ง, งใจเลยเนเวลาเราไปเดินปัญญานะมันจะเหนื่อยจิตใจจะรู้สึกแห้งแล้งไม่มีความสุขถามว่าแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมไปได้เหมือนกันนะแต่ไปได้แบบลำบากไปได้แบบแห้งแล้งไม่มีความสุขในขณะที่ปฏิบัติถ้าเราทาสมาธิได้นะ มันเหมือนเราเดินทางไกลที่เรามีสเสบียงอาหารพร้อมมีที่พักพร้อมนั่งรถยนต์ไปไปถึงตรงนี้ค่ำแล้วก็มีโรงแรมให้นอนมีบ้านให้อยู่นะมีน้ำให้อาบมีข้าวให้กินเช้าขึ้นมาเดินทางต่ออันนี้สภาวะคล้ายๆคนซึ่งทำสมถะได้แต่คนทำสมถะไม่เป็นเดินวิปัสสนาอย่างเดียวเหมือนคนเดินทางไกลไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเดินเอา เดินไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้นอนอยู่ข้างทางไม่มีที่พักเหน็ดเหนื่อยตรากตรำอาหารมีกินบ้างไม่มีบ้างน้ำมีอาบบ้างไม่มีบ้างเสื้อผ้ามีเปลี่ยนบ้างไม่มีเปลี่ยนบ้างอะไรลำบากถามว่าเดินให้ถึงปลายทางได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ได้แบบลำบากงั้นถ้าเราสามารถทำได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาก็ดีที่สุด แต่ถ้าทําได้อันเดียวให้ทําวิปัสนาลําบากเพื่อความพ้นทุกข์ดีกว่าสบายแล้วไม่พ้นทุกสักทีเรื่องอะไรชีวิตเราต้องจมอยู่กับความทุกข์ตลอดการบางคนมองไม่เห็นนะว่าตอนนี้ทุกข์อยู่แต่ถ้าเรามาหัดเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเราถึงจะเข้าใจจริงๆเรากําลังจมอยู่ในความทุกข์บางคนบอกว่าไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลย หลวงพ่อเองมาภาวนาตั้งแต่เด็กนะไม่ใช่เพราะว่ามีความทุกข์ในโลกนะอยู่ในครอบครัวที่อบอูนมีข้าวกินมีพี่น้องมีเพื่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครเขามีกันโตขึ้นมาทํางานมีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีเงินอยู่บ้านก็สบายครอบครัวก็สบายสบายหมดเลยไม่เห็นมันจะทุกข์ตรงไหนเลยแต่เราจเจริญสติจเจริญปัญญาเรนะื่อยนั้นเเห็นความจริง ชีวิตเราที่บอกว่ามีความสุขนะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเท่านั้นเองแต่ว่าความจริงแล้วร่างกายเหล่านี้แหละมีความทุกข์อยู่ในตัวของมันเองเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวต้องการอาหารเดี๋ยวต้องการขับถ่ายบางเวลาก็เจ็บป่วยจิตใจของเราเองก็ไม่ได้มีความสุขจริงเรามีเงินเรามีชื่อเสียงเรามีครอบครัว มีหน้าที่การงานดีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกมีแต่ใจเรามีอีกสิ่งหนึ่งคือความหิวความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาความหิวความอยากในใจนี้แหละทำให้ใจของเราเดือดร้อนเราร้อนตลอดเวลาเพราะเราเป็นทาตมันจะมีความสุขได้ยังไงมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทาตเนี่ยถ้าเราบางคนไม่เข้าใจนะไม่เห็นจะชีวิตมีความทุกข์ตรงไหนเลยเพราะยังไม่เคยเห็น ถ้าได้เห็นตัวเองแล้วว่ากําลังเป็นทาตอยู่มันจะรู้เลยว่าทุกข์อยู่ใจมันจะดิ้นรนหาทางออกจากกองทุกข์นี้ดิ้นรนปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมีสิ่งสองสิ่งที่เราควรทํานะคือสมถะในวิปัสสนาสมถะมีหลักการยังไงในโลกนี้มีคนฝึกสมาธิเยอะแยะไปหมดเลยาศาสนาทุกาศาสนาก็มีสมาธิทั้งนั้นแหละ งั้นเรื่องของการทำสมถะเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยเป็นสากลมีอยู่ทุกทุกคนทุกแห่งไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการทำสมาธิสมาธิจะมีรูปแบบมากมายมหาศารแค่ไหนก็ตามแต่หลักการมีอันเดียวหลักการที่จะทำให้จิตสงบก็คือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุข เคล็ดลับของการทำสมาธิอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขจิตใจที่มีสมาธิเป็นจิตใจที่ตรงข้ามกับความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือมันวิ่งไปจิตใจนะวิ่งไปหาอารมณ์เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวทางใจที่พอใจถ้าไม่พอใจก็ดิ้นหนีไป การที่จิตใจดิ้นพล่านพล่านไปนี่เรียกว่าจิตใจฟุ้งซ่านจะตรงข้ามกับจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสมาธิคือจิตที่ไม่ฟุง้งซ่านนะทำไมจิตถึงฟุง้งซ่านเพราะจิตต้องการความสุขจิตต้องการความสุขจิตถึงวิ่งพล่านพล่านไปอย่างเราวิ่งไปดูหนังไปดูละครดูคอนเสิร์ตเลยเนี่ยวิ่งไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสุขคงไม่มีใครวิ่งไปเพื่อจะมีความทุกข์มากขึ้นหรอก เราไปหาของอร่อยของชอบใจกินเพื่ออะไรเพื่อจะมีความสุขเราอยากจะคิดถึงเรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวที่มีความสุขไม่มีใครอยากคิดเรื่องราวที่เราคิดเราทุทกข์มากกว่าเก่าหรอกธรรมชาติของจิตต้องการความสุขแต่จิตไม่เคยได้รับความสุขที่แท้จริงวิ่งไปหาความสุขด้วยการดูความสุขที่เกิดจากการดูอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างเวลาเราไปดูหนังดูสักพักหนึ่งก็เบือ่อแล้ว เลยดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ทนดูต่อไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปหาความสุขในช่องทางอื่นเช่นไปฟังเพลงฟังคอนเสิร์ต ฟ, ฟังอะไรนะฟังไปเรื่อยๆมันก็ไม่เต็มอิ่มในใจอีกใจก็หิวขึ้นมาอีกใจก็อยากได้ความสุขอย่างอื่นอีกบางคนก็ไปนั่งฝันบางคนก็นั่งเข้าสมาธิให้ใจมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้นะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ ถ้าเรารู้เคล็ดลับตรงนี้แล้วว่าจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านเพราะมันเที่ยวหาความสุขเราก็ฉลาดซะหน่อยเราหาความสุขมาให้จิตอยู่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทําสมถะเนี่ยอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์คนไหนถนัดที่จะใช้คําบริกรรมบริกรรมอะไรก็ได้บางคนพุโทโธบางคนพุโทโธธรรมโมสังโฆบางคนจะบริกรรมภาษาต่างชาติอะไรก็ได้ อย่างคนจีนมาเนี่ยเขาบริกรรมคาถาเจ้าแม่กวนอิมนะก็มีอะไรก็ไดนะ้ถ้าใจมันชอบอารมณ์ันนั้นนะแล้วเราอยู่ในอารมณ์ น, นั้นใจจะไม่หนีไปหาอารมณ์อันื่นใจก็จะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวบางคนชอบรู้ลมหายใจใหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะจิตใจมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจ จิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตใจมันสบายซะและ้วมันพอใจอยู่ที่จะรู้ลมหายใจมันไม่สนไปที่อื่นจิตก็สงบจิตใจมันเหมือนเด็กซุกซนเด็กนี่เที่ยวซนออกไปนอกบ้านทีไปวิ่งข้างถนนถนนเมืองไทยอันตรายมากนะออกไปเที่ยวไปเล่นเนมันอยากมีความสุขมันหนีออกไปนอกบ้านนี่ผู้ใหญ่เห็นว่ามันอันตรายทำไงเด็กจะกลับมาอยู่ในบ้าน จะไปบังคับเอาโซ่มามัดคอมันไปนะเด็กยิ่งดิ้นใหญ่ไม่มีความสุขก็ขต้องรู้จักหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อล่อใจเด็กอย่างเด็กบางคนชอบอ่านหนังสือเราก็หาหนังสือมาไว้ในบ้านมาเด็กมาอ่านหนังสือเด็กมีความสุขเด็กไม่หนีไปสนที่อื่นนะจิตนี้ก็เหมือนเด็กถ้ามันได้รับอารมณ์ที่มันพอใจนะมันจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่น เคล็ดลับของการทำสมถกรรมฐานเนี่ยอยู่ที่การเลือกอารมณ์ข้อที่หนึ่งเลยเลือกอารมณ์ที่พอใจที่จิตมันชอบชอบพุโทโธก็ใช้พุโทโธชอบลมหายใจใช้ลมหายใจชอบขยับมือก็รู้จักการขยับมือนะรู้สึกไปชอบเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปเดินมาใจเป็นคนดูสบายๆดูสบายๆงั้นตัวที่หนึ่งรู้จักเลือกอารมณ์ต้องดูตัวเอง ไม่ใช่ไปดูคนอื่นนี่คือเหตุผลที่ทําไมหลวงพ่อไม่เคยจัดคอร์สที่พาทุกคนทําสมาธิพร้อมๆกันเพราะว่าแต่ละคนใช้อารมณ์ของสมาธิไม่เหมือนกันทางใครทางมันนี่คือทางของคนกล้าทางของคนที่กล้าเดินคนเดียวไม่ใช่ต้องไปเป็นกลุ่มเป็นฝูงนะไม่ใช่สัตว์นี่เป็นฝูงพากันเดินไปเป็นฝูงฝูง นี่คือทางของมนุษย์ผู้เข้มแข็งงั้นหลวงพ่อไม่พาพวกเรามานั่งสมาธิพร้อมกันมาเดินพร้อมกันมันกินพร้อมกันมานอนพร้อมกันทุกคนต้องดูตัวเองตอนนี้ควรจะเดินก็เดินตอนนี้ควรจะนั่งก็นั่งตอนนี้ควรจะนอนก็นอนต้องดูตัวเองแต่รู้จักเลือกอารมณ์กรรมาฐานอย่างหลวงพ่อเองตั้งแต่เล็กๆมาใช้ลมหายใจ ตอนเด็กๆหายใจนะแต่ว่าหายใจชั้นเชิงมากหน่อยตอนเด็กๆหลวงพ่อหลีท่านสอนนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองมีนับเลขด้วยท่านให้นับถึงสิบนะพอสิบแล้วก็นับเก้าแปดเจ็ดหกห้าเหมือนปล่อยจรวดอนะเราเด็กเล็กเรานับถอยหลังไม่เก่งนําแล้วลาคาญลําคาญไม่เอานี่เห็นไหมมันจับหลักเก่งไหมตั้งแต่เจ็ดขวบนะ หายใจแล้วนับย้อนหลังลำคาญไม่เอานับหนึ่งสองสามไปสิบแล้วขึ้นไปถึงร้อยเลยร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่อย่างนี้นับไปนับมานะใจมันสบายการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดธหายใจออกโทหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทไปเรื่อยๆนะพอใจมันเริ่มสงบมากขึ้นนะคำบริกรรมพุทธโทนะเป็นส่วนเกินเป็นของรุงรังเป็นของกิกะก็สลัดทิ้งไปนี่ไม่สบายใจ อยู่กับพุทธโธแล้วลําคาญอยู่กับลมอย่างเดียวพออยู่กับลมอย่างเดียวนะสบายใจมีความสุขอยู่กับการรู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นลมนะค่อยๆสงบเพราะอะไรทําไมลมมันค่อยๆสงบสั้นลงสั้นล ง, น ล, งละเอียดลงละเอียดลงเพราะจิตมันสงบขึ้นเวลาที mm ่ hmm. พวกเราเกิดกิเลสรุนแรงเราจะหายใจแรงนะอย่างเวลาเรากโกรธแรงๆเนี่ยจะหายใจแรงเวลาเรามีความคล่ายแรงๆเราจะหายใจแรงใช่ไหม แต่เวลาจิตสงบเนี่ยลมหายใจจะประนีตไปด้วยเนั้นอย่าไปแกล้งหายใจให้เบาๆนะแต่ทงัทงๆที่จิตฟุง้งซ่านมันจะอึนอัดหายใจไปธรรมดานี่แหละรู้ไปถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็ใช้ลมหายใจนะหายใจไปด้วยใจที่สบา ย, ายใจที่ผ่อนคลายนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือรู้ลมหายใจลมจะค่อยๆละเอียดละเอีย ด, ล ะ, ยดละเอียดเข้าไปตื้นขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งหยุดหายใจ มันหยุดในความรู้สึกจริงๆมันก็ยังหายใจแต่มันหายใจน้อยมันจะ ก, กลายเป็นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกลกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างนี้ยทีแรกมันก็เป็นดวงชัดบ้างไม่ชัดบ้างพอดูไปเรื่อยๆเดวงนี้ก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นต่อไปเราเล่นได้เรากําหนดให้แสงเนี่ยบีบตัวลงมาบีมลงมาบีมลงมาจนเท่าปลายเข็มเลยเล็กนิดเดียวก็ได้นะ ถ้าแสงอยู่ในจุดที่เล็กมากๆเนี่ยแสงจะเข้มมากเลยความเข้มของแสงจะสูงมากเลยหรือเราจะกําหนดให้วงนี้ใหญ่วกว้างขวางาไปยังไงก็ไดนะ้การที่จิตมันเคล้าเคลียร์ อ, อยู่กับแสงสว่างนะลมหายใจหายไปแล้วจิตไปรู้แสงเป็นอารมณ์นะตรงนีเน้เป็นเรียกว่าได้ปฏิภาคนิมิตตัวที่เราเล่นได้เนี่ยตรงที่จิตทิ้งลมหายใจแล้วมาจับที่แสงสว่างเนี่ยเรียกว่าอุขะหานิมิตแสงสว่างเป็นอุคะหานิมิต แต่ตรงที่เราเล่นได้ย่อได้ขยายได้นะตามใจชอบเนีเรียกว่าปฏิภาค น, นิมิตเขาเล่นอยู่อยู่เนี้ยจิตมันก็เคล้าเคลียอยู่กับแสงไม่หนีไปที่อื่นจิตมันตรึกอยู่กับแสงเรียกว่ามีวิตตกจิตมันเคล้าอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารณ์จิตมันจะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือแสงเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีทําสมาธิอย่างหนึง่ง ถ้าไม่ชอบรู้ลมหายใจใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้ได้เช่นเราจเจริญเมตตาเรานึกในใจบริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตานะถ้าเป็นฝรั่งบริกรรมอย่างนี้ไม่เป็นก็บริกรรมอย่างอื่นนะที่เป็นถ้อยคาที่แสดงถึงความอ่อนโยนในใจความเป็นมิตรต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราบริกรรมของเราไปเราแต่งคาบริกรรมเอาเองก็ได้นะบริกรรมไปเรื่อย ใจเรามีความสุขมีความสงบมีความเมตตาเกิดขึ้นนะตรงนี้จะไม่มีนิมิตจะไม่มีแสงนะเพราะฉะนั้นตรงที่จิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่านปฏิภาคนิมิตทั้งหมดนะอยู่ที่ลักษณะอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างถ้าเราจเจริญเมตตาเนี่ยจิตจะเย็นช้ำสงบลงไปนะแล้วก็ว่างลงพอว่างลงไปเนี่ยเหมือนกันโลกธาตุนี่หายไปเลยนะ ร่างกายเราก็หายไปโลกก็หายไปมันเหลือแต่ความสุขความสงบความเมตตาแผ่ไพสารไม่มีขอบเขตทําไมไม่มีขอบเขตเพราะมันไม่มีโลกนะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณจิตที่ทรงอยู่อย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงความสงบชั้นอรูปฌานแต่อย่างถ้าเรายัางใช้แสงเป็นอารมณ์นะอย่างทําอานาปนสติเนี่ยเราเข้าถึงสมาธิในขั้นรูปฌานไดนะ้นี่สมาธิมีหลายระดับนะ อยู่ที่ตัวอารมณ์แต่พวกเราบางคนอยู่ๆก็อยากจะทำอรูปฌานแต่ว่าใจเนี่ยไม่มีเมตตาเลยใจมีแต่ความเยี่ยมเกลียมนี่เยี่ยมเกลียมเยี่ยมเกลียม อ, อย่างนี้นะออย่างเงี้ยใจไม่เข้าอารูปหรอกนะทำไม่ได้หรอกให้สํานึกตัวเองนะเข้าอารูปังไม่ได้หรอกมันยังเยี่ยมเกลียมอยู่ยงั้นเราดูกรรมฐานไปใช้สติปัญญาของตัวเองดู ว่าเราควรทํากรรมฐานอะไรทําอันไหนแล้วมีความสุข <c oughs> ก็ทำอันนั้นแหละเวลาเราอย่างเราเจริญเมตตาแนละ้วจนกระทังโลกธาตุดับเนะี่ยจ่กัเมตตาทรงฆ์อยู่งั้นนะโอ้ยมีความสุขมากนะถอยออกจากสมาที่เรามันจะช่ามากเลยจะเย็นช่าอยู่นานเลยนะมีความสุขมากนะเวลาอยู่ในที่หนาวนะจะรู้สึกอบอุ่นนะเวลาอยู่ที่ร้อนๆจะรู้สึกเย็นมีแนะมีพระมาเล่าให้ฟัง บอกวขึ้นไปอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำแล้วฝนมันตกขึ้นมามนหนาวจัดเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะผ้าก็มีอยู่แค่ผ้าจีบอนนิแงจะก่อไฟก็ไม่มีฟืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะพระเจ้าเจ้าไม่ให้ก่อไฟพิงถ้าก่อไฟพิงเนี๋ย ง, งูมันชอบมาอันตรายอีกแต่ถ้าป่วยเนี่ยนะก่อไฟได้เนี่ยงนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่กับความหนาวเย็นโอ้ยจะแย่แล้วหนาวหายใจให้คอไม่ออกนะ อยู่แถวเพชรบุญนะนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงหลวงพ่อนะหายใจนะเหมือนไฟพุ่งออกทางชมูลเลยนะเวลาหายใจร้อนเลยนะจิตนั้นไม่มีขอบไม่มีเขตนะมันไม่มีขอบไม่มีเขตเลยนี่เป็นเรื่องของสมาธิพอามานึกถึงหลวงพ่อแล้วสบายใจจิตมีสมาธิขึ้นมามีสมาธิขึ้นมานะสมาธิมันรักษาร่างกายไว้ได้ไม่ใช่หลวงพ่อเกิ่งไปช่วยเขานะหลวงพ่อไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอก เขาพอความนึกถึงหลวงพ่อแล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยใจก็เป็นสมาธิขึ้นมาไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะเดี๋ยวจะบอกเราโฆษณาชวนเชื่อเพราะเรารู้จักเลือกอารมณ์นะอารมณ์อะไรที่เราอยู่แล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นไปนี่คือข้อที่หนึ่งของการทําสมถะข้อที่สอง ข, อข้อที่สองเวลาที่เราอยู่กับอารมณ์อันนั้นนะให้อยู่แบบสบายสบาย อยู่แบบสบายใจอย่าอยู่แบบบงังคับจิตให้ต้องอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าบางังคับจิตให้ต้องอยู่กับอารมณ์นั้นจิตจะเครียดอารมณ์นั้น ite, น, นดีถูกใจจริงแต่จิตมันเครียดซะแล้วก็ไม่สงบหรอกเคล็ดลับก็คือให้เรารู้อารมณ์นั้นไปอย่างสบายๆรู้เบาๆคล้ายๆแตะๆนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่าไปจ้องอย่างรุนแรงดูลมหายใจก็ไม่ใช่ไปจับ paid. ลมหายใจไว้เงแบบี้ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นอย่างนี้มันก็เครียดนะจิตไม่สงบหรอก นะรู้ลมหายใจก็แค่เนะี่ยรู้แต่แะ่สบายเนะี่ยถ้าเราทำกรมฐานะข้อที่สองนะทำสมถนะเนี่ยเคล็ดของมันข้อที่สองคือรู้สบายสบายอย่าจงใจบังคับจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะรู้สึกสบายสบายไปดูท้องพองยุบก็รู้สึกสบายสบายดูลมหายใจก็รู้สึกสบายสบาย จเจริญเมตตาก็เจเริญสบายๆนะทำใจให้มีความสุขให้มีความเมตตาทำสบายๆถ้าทำแบบรุนแรงจิตจะไม่สงบนะเพราะฉะนันอยู่ที่เทคนิคนะแค่ไหนพอดีถ้าเบาไปจิตจะหลุดออกไปเลยหนีไปที่อื่นเผลอไปเลยถ้าแรงไปจิตจะเครียดๆตัวเนี้เป็นเทคนิคที่ต้องเรียนด้วยตัวเองละไม่มีตำราที่ไหนสอนได้รู้แค่ไหนแรงแค่ไหนพอดีต้องสังเกตตัวเอง สังเกตตัวเองดูนะเนี่ยของหลวงพ่อมันพอดีแค่นี้เองง่ายๆนะนะพวกเราก็ต้องดูแรกรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขข้อที่สองรู้อารมณ์ันนั้นด้วยใจที่สบายๆทำไมต้องสบายมีกฎอยู่ข้อหนึ่งความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราจะมีความสุขได้ต้องมีสองปัจจัยมีอารมณ์ที่มีความสุข มีใจที่มีความสุขใช่มมีอารมณ์ที่มีความสุขรู้จักเลือกมีใจที่มีความสุขในการไปรู้อารมณ์นั้นนะแค่นี้เองแล้วต่อไปเราจะรู้สึกว่าสมาธิเป็นเรื่องเด็กๆง่ายเราต้องการพักผ่อนเมื่อไหร่นะก็พักได้อย่างเวลาเราทำงานเครียดๆนะั้นประชุมประชุมกับคนบางคนเนี่ยหาสาระไม่ได้เลย มันพูดเพิ่เจอพูดซึ่งไม่มีประโยชน์แต่เราก็เบรกเขาไม่ได้ด้วยบางคนช่วงอย่างนี้หลวงพ่อใช้วิธีเราก็ทำสมาธิของเราลืมตาแป๋วแปวันนี้แหละทำเหมือนฟังนะนานๆก็อแอบออกมาฟังทิ้งพยักหน้าเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยยังอยู่ที่เก่า <laughs> <laughs> บางคนเาพูดเพิ่เจอพูดวนอยู่ที่เดิมหาข้อสรุปอะไรไม่ได้คุ้นมาก หรือเรานั่งรถไปรถติดรถติดแทนที่จะโมโหโทโสนะรถติดก็หายใจไปสบายๆนี่เป็นบุญของเราที่รถติดทําให้เราได้นั่งหายใจอยู่อีกตั้งนานนะ่ยไม่ให้ไปถึงที่ทํางานเร็วแล้วรีบลุยทํางานเลยะเนี่ยมีเวลารถติดตั้งชั่วโมงนั่งหายใจได้เวลาได้ปฏิบัติงั้นเวลาถ้าพวกเราหัดให้เป็นนะ กับหลักสองข้อให้แม่นการปฏิบัติมันก็มีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์เท่านั้นเองรู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขรู้อารมณ์ที่มีความสุขนั้นด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจิตใจที่มีความสุขอารมณ์ก็มีความสุขจิตก็มีความสุขแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วเม uma, ื่อมีความสุขสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะสมาธิเนี่ยนะมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นถ้าใจเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไร จิตจะสงบอยู่ในโรมณ์นั้นจิตสงบแล้วก็คือจะไม่วิ่งพลาดไปหาโรมณอื่นฝึกได้ก็ฝึกแต่ต้องระวังข้อพลาดมันมีพอสมาธิเกิดแล้วบางคนเนี่ยสติไม่พอความรู้สึกตัวไม่พอมันจะเกิดนิมิตเกิดภาพต่างๆขึ้นมาเกิดรู้เกิดเห็นนิมิตมีทั้งหช่องเลยเกิดมองเห็นเกิดได้ยินเสียงเกิดได้กลิน่นเกิดได้รสเกิดสัมผัส ท, ทางกาย หลวพ่อเคยเจอนิมิตสัมผัสทางกายด้วยนะแปลกมากเลยเรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อเมื่อยนนั่งสมาธิตอนนั้นยังเด็กอยู่ไปบวบชวัดชวนทานเนีย่ยเพิงเรียนหนังสืออยู่เลยปิดเทอมไปบวชเนี่ยนั่งแล้วเมื่อยนะมันมีความรู้สึกว่ามีคนเดินมาแล้วมันมานวดให้มันกดลงไปนะเรานั่งหลับตาอยู่เอ๊ะมันเหมือนถูกกดเนื้อที่ขาลืมตาดูนะเนื้อบุ๋มลงไปเป็นลอยนิ้วเลยนะยุบลงไปอย่างนี้เลย อจับเส้นเก่งเลยเอาปล่อยปุ๊บนะโอ้ขาที่เป็นเน็บนะ่หายเลยนะคิดถึงทุกวันเลยไม่ยอมมานวดให้อีก <c oughs> นี่มิตมีทุกแบบเลยนะนิมิตจริงก็มีนิมิตปลอมก็มีนิมิตจริงอย่างพวกเทพพวกอะไรพวกนี้มีจริงๆนะนิมิตปลอมมันก็มีจิตหลอนจิตสร้างขึ้นมาเองก็มีวิธีแยกทําไงถ้าเกิดนิมิตขึ้นอย่าสนใจให้ย้อนมาที่จิตของเราเอง ถ้าจิตเราสงบกลับเข้าฐานแล้วย้อนออกไปดูนะถ้ายัางอยู่ก็ตัวจริงถ้าหายไปแล้วแสดงว่าจิตสร้างขึ้นมาเองนี่คือวันนี้เทศเรื่องสมถะฝรั่งชอบสมถะเยอะแต่อยากให้สมถะเพื่อจะอัพขึ้นไปสู่วิปัสสนานะสมถะเพื่อสมถะก็จะเป็นสมถะทั้งชาติก็ได้แค่นี้เองเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านทั้งชาติมีอยู่แค่เนี้ไปไหนไม่รอดหรอก มันคล้ายๆคนรเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้วแต่ไม่ยอมทำมาหากินมันไม่รวยหรอกเพราะั้นเราพักผ่อนแล้วนะมีแรงแล้วเราไปทำงานร่ารวยขึ้นมาเหมือนเราจิตใจเราได้พักผ่อนแล้วเราไปทำวิปัสสนาเราก็ได้ปัญญานะได้ความพ้นทุกข์ขึ้นมาฉั้นถ้าพักผ่อนอย่างเดียวไม่ไม่ทำงานไม่ทำวิปัสสนานะก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกยิงขี้เกียจไปอย่างนั้นเองอาต่อไปนี้ไปกินข้าวนิมนต์นอาจารย์